อาจารย์นี่ขออนุโมนนทนาธรรมโดยข อ, อนอบน้อมต่อคุณพรตนาตะไรโอกาสพระอาจารย์ไพศาลพระอาจารย์ยุกยิเพื่อนสถามิรุกท่านเจริญธรรมแม่ทีและญาติธรรมทุกท่านเมื่อกี้เราก็ <c oughs> ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์นะมีอิติปิสโส แล้วก็พาหงเนาะเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเพราะคุณพระพุทธเจ้าเป็นหลักนะเนื่องในวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะเนาะคุณของพระุทธเจ้านี่ก็ถือว่ามากมายมหาศาลเนาะอย่างที่ได้พารนามาก็ไม่ไม่มีที่สิ้นสุดนะพุทธคุณร้อยบทต่างๆเป็นต้นเนาะครั้นี้ถ้าจะแยกออกมาแล้วคระ พระคุณพระพุทธคุณของพระุเจ้าเนี่ยสามารถแยกได้เป็นสามอย่างคือพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณเนาะคราวนี้ <c oughs> ทำไมถึงเริ่มต้นที่พระปัญญาที่คุณก่อ น, นก็เพราะว่าพระุทธเจ้าได้ทรงอาศัยปัญญานะคืออาศัยการที่ศึกษาเรียนรู้ต่างๆผ่านมาตลอดชีวิตนะ ที่ได้สร้างสมบรมีมาตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ต่างๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าสะสมปัญญามาตลอดแล้วรวมทั้งได้ออกมาสแสวงหาทางพ้นทุกข์ด้วยตัวเองเป็นเวลา6ปีก็ไปศึกษาในสำนักต่างๆในยุคนั้นนะที่มีครูบาอาจารย์ที่สามารถที่จะให้การศึกษากับท่านได้ในทางจิตวิ ญ, ญญาณต่างๆอันมีอาราละดาบทและอุทกกดดาบทเป็นต้น ท่านก็ยังเห็นว่ามันไม่ใช่หนทางที่จะพ้นทุกข์อันนี้ก็เป็นปัญญาของท่านนะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่จะเห็นตรงนี้มั น, มนยากใช่หไหมอ่าคือสังเกตดูว่าแม้แต่ในภาษาวลกต่างๆเช่นภาษารีบุตรพระโมคคัละนะ ก, ก็ยังไปอยู่ในสำนักสำนักอื่นแต่ว่าอ่าก็ถือว่าท่านก็มีปัญญานะเห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เหมือนกันเนาะเพราะนั้นผู้ที่มีปัญญาเนี่ยเหมือนกับว่าได้สั่งสมมาแล้วก็รู้ว่าตรงไหนพ้นทุกข์หรือไม่พ้นทุกข์ แต่คนที่ไปติดในสำนักต่างๆที่ปัญญาอ่าคล้ายๆว่ายังไม่รู้จริงๆว่ามันหนทางพ้นทุกข์อยู่ตรงไหนก็มีอยู่มากมายนะเพราะนั้นสำนักต่างๆก็มีอยู่อย่างแพร่หลายในยุคนั้นนะเพราะว่าแต่ละสำนักก็สอนในในามลัทธิตัวเองแต่ว่าจริงๆแล้วไม่รู้ว่าเป็นทางพ้นทุกข์หรือเปล่าเพราะว่าไม่มีปัญญาไปยั่งถึงว่าตรงนั้นเป็นทางพ้นทุกข์หรือเปล่าเนาะ แต่พระเจ้าก็ได้ทรงรู้ว่าตรงเนี้มันไม่ใชทางพ้นทุกนะอะเช่นอารดาบทอุทกดาบทนี้ก็สอนได้ถึงชา้นเจ็ดและชา้นแปดซึ่งเป็นอรูปรชาตแต่ก็ทรงเห็นว่าอันนี้มันก็ยังไม่พ้นอยู่ดีเพราะมันมันมีมันมีภพภูมิอยู่ <c oughs> คือภพภูมิแห่งแห่งความที่เป็นอรูปนั่นเองนะก็ต้องไปเป็นอรูปภพซึ่งรูปภพก็ถือว่าสูงสูงมากแล้วในระดับของสวรรค์นะเป็นชั้นที่สูงมาก แต่ก็ยังไม่ใช่ทางพ้นทุก์อยู่ดีนะเพราะมันมีสภาวะของการติดการยึดในภพภูมิเหล่านั้นอยู่เมื่อยังมีการติดการยึดนะก็ยังไม่พ้นจากความไปอิสระที่ได้จริงเนาะการนี้คือปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสั่งสมมาก็เลยส่งออกสแสวงหาด้วยตัวเองเอกีกมีการอดอาหาราต่างๆนะการอดอาหาราต่างๆนี้ก็ถือว่าเป็นหนทางที่การปฏริบัติในยุคนั้นที่นิยมกันนะเพราะว่าตรงเนี้ย มันก็ว่าเป็นหนทางที่จะพ้นทุกได้แต่ก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่อีกอ ก, อ ก, ก็เลยทรงเลิกโอทะหานเนาะแล้วก็ทรงค้นหาด้วยตัวเองในคืนวันเพ็ญเดือนหกโดยการพิจารณาในปฏิจจสมบัตะแล้วก็อริสตรัตถีในสุดก็ได้พบทางพ้นทุกได้จริงๆนะที่อริสตรัตถีก็มีความจริงของเียมรก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรกเนาะ แล้วก็พิจารณาถึงปฏิสัจสมบัติก็คือความเป็นเหตุเป็นผลของจิตวิญญาณหรือว่าในในจิตใจที่มีกระบวนการสร้างกันมาเป็นรูปเป็นล่างเป็นแบบที่มีการต่อเนื่องในจิตใจคือมีเหตุแล้วก็มีผลมีเหตุมีปัจจัยต่อเนื่องกันว่าสิ่งหนึ่งถ้าให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งตามมาก็เริ่มต้นด้วยอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร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 ก็คือกระบวนการเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อจะละพบละชาติก็ต้องละไปตามกระบวนการเหมือนกันเมื่อไม่มีวิชาก็ไม่มีสังขาราต่างๆเป็นต้นก็จบไปในกระบวนการต่างเหล่านี้อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เดินเดินปัญญาโดยเรียกว่าพระเจ้าก็ได้พบหนทางนี้โดยตัวตัวเองโดยตัวท่านเองหลังจากที่ตรงทรงตัดรูแล้วนั่นนี่ก็เกิด บริสุทธิคุณขึ้นมาก็คือในการตัดสรุนั่นแหละกะาใส่ปัญญาที่มาเดินในเส้นทางของการที่เราว่าสู่ความพน้นทุกเป็นปัญญาที่เดินในแนวทางเพื่อสู่ความบริสุทธิ์ก็เข้ามาสู่ความบริสุทธิคุณก็คือจิตตะวิสุทธิในตรงนี้จิตของท่านก็เข้าสู่ความบริสุทธิทาจริงคือละ <c oughs> จักกิเลส ทั้งหลายทั้งปวงอันได้แก่ความโลภความโกรธความหลงต่างๆเหล่านี้เป็นต้นจิตก็บริสุทธิ์เนาะแล้วหลังจากนั้นที่เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วท่านก็ออกไยแผ่ธรรมออกไปในการที่เรียกว่าช่วยสัตว์โลกนะในการที่สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยมีแต่ความทุกข์ความทุกข์ในไรความทุกข์ในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็การที่ต้องวนเวียนในสังสารวัตนี่แหละคือการ เกิดการเจ็บใจนับภพบนับชาไม่ท้วนตรงนี้ก็คือในสมัยนั้นก็มีความเชื่อในเช่นนั้นอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากที่พระเจ้าได้ทรงสแสดงหนทางแห่งการพ้นทุกข์จริงๆเพราะว่าในยุคนั้นก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนักปราชญ์ต่างๆเยอะที่ได้เสนอทางพ้นทุกข์ต่างๆมากมายแต่ว่าผู้ที่ไปหลงในลัทธิต่างๆก็มีมากอันนี้ชื่อว่าเราก็หลงทางนะมันจริงๆเขาอยากจะหาทางพ้นทุกข์แต่ว่า ถ้าคนที่รู้ไม่จริงก็เลยเป็นนําหนทางที่มันไม่พ้นทุกกันนี่ก็เป็นสิ่งน่าสารว่าคนที่อยากพ้นทุกก็ไม่สามารถพ้นทุกได้อันนี้ก็ทรงมีพระกรุณาในตรงนี้ว่าอาจจะทําอย่างไรเพื่อให้คนรู้ความจริงแล้วก็สู่ความพ้นทุกนะแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะมีความเรียกว่าเหมือนกับท่านก็พร้อมแล้วนะคือว่าท่านก็สบายแล้วนะท่านจริงๆไม่ต้องไปสอนใครก็ได้เพราะท่านก็พ้นทุกข์ด้วยตัวเองแล้วแต่ว่าท่านก็ ต้องอาศัยความมหากรุณาที่คุณนี่แหละในการเดินทางไปสั่งสอนในที่ต่างๆนะสมัยนั้นก็ไม่มีรถยนต์นะและว้พวพระพุทธเจ้าก็ไม่ไม่ทรงนั่งเกวี ย, ยนไม่ขี่ม้าไปแต่ใช้การเดินเป็นส่วนใหญ่นะและการเดินนี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเป็นการเดินด้วยความยากลำบากลนทางก็ไกลนะเป็นป่าเป็นเขานในระหว่างทางก็อันตรายต่างๆนะก็มีมีแต่ความไม่สะดวกต่างๆมากมาย แล้วเราก็ไม่ได้พักตามที่สะดวกนะสมัยนี้ก็ไปพักตามวัดได้แต่สมัยก่อนไม่มีวัดนะก็ไปพักตามป่าตามเขาตามโรงนาหรือตามสถานที่ต่างๆที่ชาวบ้านเขาอาจจะจัดเอาไว้เต่นศาลาต่ า, า, า, างๆเป็นต้นนะก็มีในความไม่สะดวกแต่พระพเจ้าก็ใส่ความมหากรุณาธิคุณนี่แหละออกเผยแผ่ธรรมนะจนเผยแผ่ไปได้มากมายนะหรือ ว, ว่าพระศาสนาตั้งมั่นในขณะนั้นแล้ว แล้วก็ตอนหลังก็เผยแพร่ไปสู่ต่างประเทศต่างๆนะตรง น, นี้ก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นในยุคนั้นนะตรงนี้ถ้าเรากลับมาศึกษาจริงๆแล้วตรงนี้เผยแพร่ได้อย่างไรนะเพราะว่าหนทางของพระเจ้าไม่เหมือนกับผู้อื่นในยุคนั้นนะในยุคนั้นส่วนใหญ่ก็คือศาสนาต่างๆในยุคนั้นจะมีลักษณะของผู้สร้างนะคือผู้สร้างโลกต่างๆนะเป็นผู้ที่เรียกว่า สร้างจักรวาลเป็นพระผู้สร้างนะอันนี้มีกับทุกศาสนาเลยนะทางทางด้านทางยุโรปทางตะวันออกกลางอิสราเอลส่วนมากก็เป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกกันทั้งนั้นนะแต่ในยุคต่อมาอทางศาสนาเก่าๆนะทางทางทางยิวศาสนายิวนะหรือมา อโมอเสสทางคริสหรือทางอิสลามจริงๆแล้วก็เป็นถือว่าเขา้าเท่ากับเป็นพระเจ้าองค์เดียวกั น, นแต่เป็นการประกาศโดยตัวแทนของพระเจ้าในยุคแต่ละยุคทั้งต่างนะเป็นตัวแทนของพระเจ้าซึ่งต่อมาก็มาสู่ยุคสุดท้ายในว่าเป็นการประกาศในยุคสุดท้ายแล้วก็ถือว่านี้เป็นที่อไม่มีไม่มีผู้ที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าผู้สร้างโลกลงมาประกาศอีกนะก็ถือว่าเป็น เป็นการประกาศในรูปแบบเดียวกันนะหรือมาจากพระเจ้าองคเดียวกันด้วยเพียงแต่มีชื่อต่างกันเท่านั้นเองนะหรือแม้แต่ในยุค ข, ของอินเดียนสมัยนั้นก็เป็นเั่นนั้นเหมือนกันก็นะจะเป็นยุคพระเจ้าผู้สร้างโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรนะที่ว่าจะได้อ่าจิตวิญ ญ, ญาณของตัวเองจะได้กลับไปรวมกับกับรรมันนะหรือว่าอยู่กับพระเจ้าผู้สร้างโลกต่างๆเหล่านี้นะหรือว่าหนทางอะไรงานที่ทําให้ตัวเองสามารถมีความสุข เป็นที่พอใจของพระเจ้าต่างๆเป็นต้นก็จะทําในหนทางนั้นแต่จริงๆแล้วหนทางนั้นนะตัวเองจริงๆรู้ไหมว่าจิตเราถึงความบริสกธิ์หรือ ย, ยังหรือว่าถึงความพ้นทุกข์หรือยังเนาะแต่พระเจ้านี่ก็ท่านก็อยู่ในยุคนั้นเหมือนกันนะท่านก็รู้ว่าจริงๆแล้วหนทางนั้นมันก็อาจจะมีจริงนะพระเจ้าผู้สร้างโลกก็อาจจะมีจริงหรืออาจจะไม่มีจริงก็ได้แต่จริงๆแล้วจิตของเราเนี่ยสำคัญที่สุดเราก็ไม่ต้องรอให้ใครมาทําให้จิตเราถึงความบริสุทธิ์ แต่เราสามารถทําจิตเราให้ถึงความบริสุทธิ์ได้ <c oughs> ถึงซึ่งความรู้ได้โดยตัวเราเองอั น, นี้จะเป็นหนทางที่แน่นอนกว่าเนาะเหมือนกับเราทานอาหารนะเราก็ไม่ต้องไปรอว่าเออใครจะมาทานแทนเราหรือว่าต้องทําอาหารแลให้เรารับประทานแต่ถ้าเราสามารถทําอาหารได้เองแล้วเรารับประทานได้เองเราก็จะรู้ว่า <c oughs> เราก็สามารถที่จะอิ่มเองอ่ะเราจะอิ่มแล้วก็รู้เราอิ่มเนาะนี่น่ะคือหนทางที่เราวิา้าได้พบในหนทางนี้ อันนี้ก็คือการกลับมารู้จักจิตใจของท่าน้เองนะผลทางจริงๆเพื่อความพ้นทุกข์นี่แหละเป็นการศึกษาในจิตในใจนะว่ามันกินเลสทั้งหลายมันก็เกิดในใจเราแล้วก็หนทางทุกข์มันก็อยู่ในใจเราเท่านั้นเองนะส่วนหนทางกายบัตตต่างๆก็จะมีผนทางหลายหอย่างแต่ในสุดมันก็สรุปเข้ามาสุดจิตใจของเราในว่าเราสามารถที่จะปล่อยอาจจะวางาการไม่ยึดติดการคลายจังหวะทานต่างๆได้ไหม นะเพราะงการที่เราไปฏิบัติธรรมต่างๆก็ดีนะมันก็เป็นผลทางอย่างหนึ่งที่เราเริ่มต้นในการปฏิบัติธรรมแต่ว่าในจุดสุดท้ายก็คือเป็นการปล่อยการวางการมีติการละการทิ้งการที่เรานะสามารถคลายจปทานต่างๆในตรงนี้ได้ไหมถ้าเรายังไปยึดไปติดในอะไรอยู่นะหนทางอะไรก็แล้วแต่มันไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วนะไปติดใ น, ในความดีต่างๆมันก็ยังไม่พ้นทุกอยู่ดีนะมันติดมันเป็นความติด นะแต่ว่าการที่เราไม่ติดในสิ่งใดแนะม้แต่ความดีความชั่วความถูกความผิดก็คือมันเป็นการปล่อยการวางจากวิธานทั้งหลายแหละมันก็สู่ความพุทธได้จริงๆนะนี่ก็เป็นผลทางที่เรียกว่าเป็นทางที่เรียกว่าไม่เหมือนกับผลทางอื่นนะเป็นทางการปล่อยการวางการมยึดติดนะในขณะที่ผลทางต่างๆก็เป็นการยึดติดเป็นส่วนใหญ่นะอันนี้ก็คือภูมิปัญญาของเจ้าที่ได้ส่งค้นพบในขณะนั้นแล้วก็ส่งนํามาเผยแผ่ให้กับชาวโลกต่อมาเนาะ การนทางต่างๆแล้วนะมันก็ไปสู่ความผลิตได้ <c oughs> ในในในยุคนั้นก็นะแม้แต่ในที่รูว่าเราถ้าเราได้สวดชัยมงคลคาถานะมันก็จะมีไหลไหลบทที่พระเจ้าเนี่ยคือชัยมงคลคาถาก็เป็นการสันสันเสริมพระเจ้าที่ได้ทรง <c oughs> ช, นะชนะอืมชนะอวสักรต่าง ๆ, ๆนชนะมารชนะสิ่งต่างที่มาอทําการอ่ ต่อสู้บ้างหรือว่ามาใส่ร้ายบ้างนะหรือว่ามาตั้งตนเป็นศัตรูบ้างกับพระเจ้าในยุคนั้นนะเช่นมารพญามารต่างๆเนาะช้างนาลาคิลิงนาะงจินจามานวิกาตัดนะจักรนิคนนะแล้วก็นะองค์ุลิมานต่างๆเหล่านี้นะเป็นต้นนะก็คือสิ่งเหล่านี้มาประจนพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าก็ทรงชนะได้นะด้วยบารมีของพระเจ้านั่นเองเนาะ อันนี้แสดงถึงชัยชนะนยิ่งใหญนะ่แต่ชัยชนะยิ่งใหญ่ต่างๆเหล่านี้ถ้าโดยถ้าเราเห็นแล้วอันนี้ก็เกิดจากพระบริสุทธิ์ที่คุณเป็นหลักนะเกิดจากการที่ท่านมีบริสุทธิคุณท่านก็สามารถชนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แต่ถ้าท่านไม่มีบริสุทธิที่คุณท่านก็จะไม่ชนะอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้การที่เราจะชนะอะไรก็แล้วแต่นะชนะสิ่งต่างหรือหรือว่าแม้แต่ชนะคนทั้งโลกก็กลับมาสู้ชนะใจเราเองไม่ได้ เพราะการที่ชนะใจเราเองนั้นถือว่าชนะยิ่งใหญ่กว่าชนะคนทั้งโลกเพราะว่าคนทั้งโลกเราแม้จะชนะนะชนะได้อย่างแน่นอนหรอกใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงแม้แต่จักรพรรดิในสมัยโบราณนะเจงกิศคารนี่ก็เรียกว่าพิชิตไปครึ่งโลกนะหรือว่าอ่าซีซ่านะก็พิชิตอ่าไปทางยุโรปทางตะวันออกกลางมากมายนะนักรบในสมัยก่อนก็มีมากมายแต่ในสุดก็ต้องแพ้สังหารตัวเองนะบางทีก็ ไม่มีอะไรเลยนะต้องตายนะหรือ ว, ว่าไม่อาจจะชนะใครได้แม้แต่คนเดียวนะแต่ว่าการที่เราชนะอ่าไปอ่าทั่วโลกก็ดีนะแต่กลับมาสู้จิตใจของเราที่ว่าเราสามารถชนะใจเราได้ไหมอ่าใจที่มีกิเลสนั่นแหละคือศัตรูตัวร้ายที่สุดที่นําให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิด น, นับภพบนับชาติไม่ท้วนแล้วก็ในในปีบัญชาติเราก็มีความทุกข์นะครับความทุกข์จากความโลภความโกรธความหลงนี่แหละคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่นะยิ่งกว่า อ่าศัตรูเลยไหนไหนในโลกใช่ไหมตรงเนี้ยมันก็แฝงอยู่ในใจเรานะประการแรกอให้เรารู้ทันไหม <c oughs> ถ้าเรารู้ทันศัตรูในใจเราแล้วเราก็นั่นแหละเราต้องรู้ทันว่าเป็นศัตรูในใจเราเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นศัตรูก็มีมากมายใช่ไหมก็คือไม่รู้หรอกว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นศัตรูเราก็ไปแ ส, สวงหาหลังหางนะแสวง ห, หาความโลภความโกรธความหลงเข้ามาอีกนะทั้งทั้งที่ก็เป็นศัตรูเราก็ไม่รู้หรอก นะเพราะคนเราชอบใช้ชีวิตเช่นั้นอยู่แล้วนะด้วยราคะนะราคะคือความยินดีความพอใจความอยากได้ความอยากมีอยากเป็นทั้งหลายเหล่านี้่แหละก็คือสแสวงหามันนะราคะกับโลภะก็คือตัวเดียวกันนะเราสแสวงหาในทางรูปรสกลิ่นเสียงผลทะพธะธรมมลมนะ <c oughs> <c oughs> มีความยินดีไปในสิ่งเหล่านี้นะต่างต่างนี่เป็นการสแสวงหาท่าท้งนั้นเลยนะคนอยู่ทางโลกบอกว่าโอ้ว <c oughs> ่เาเราเราเขยัน <c oughs> เราเหนื่อยเราเบื่อแล้วก็ไปแสวงหาลูกเสียงมามากระทบนะจะได้หายหายเบื่อหายเครียดนะไปดื่มน้าเมาต่างๆเราเนี่ยต่างๆเป็นต้นนะอ่าเราก็เวลาไม่พอใจอะไรเราก็โกรธใช่ไหมเราก็มีแต่ความหงุดหงิดขัดเคืองทั้งวันนะยิ่งคนที่มีอํานาจมากนะอันนี้ยิ่งโกรธง่ายเพราะว่ามีตัวตนเยอะากระทบนิดหน่อยก็โกรธแล้วนะหรือ <c oughs> ใครใครไม่สนเสริญเราใครไม่ดีกับเราเราก็โกรธแล้ว เนาะต่างๆเนี่ยก็คือสภาวะคนเราเนี่ยมันชอบแสวงหาในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะบางคนยิ่งโกรธก็ยิ่งดีนะรู้สึกคนเขากลัวเรานะใช่มไหมความหลงนี่คนเรานะจริงๆมีความหลงเรงาจรึงมีความโลภมีความโกรธก็เพราะว่ารู้เท่าไม่เท่าทันกิเลในใจเรานั่นเองนะเราหลงไปทางตาหูจุลินกรียใจไม่รู้เรากาเราหลงใช่ไหมก็ไปยึดติดในสิ่งที่เราหลงว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีนะอะ่าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรามากมายเนาะ อันนี้คือคนส่วนใหญ่มันมันไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นศัตรูในใจเรานะไม่รู้ว่าตรงนี้คืออันตรายที่ร้ายแรงในใจเราเพราะว่ามันจะต้องนำให้เรามีความมีแต่ความทุกข <c oughs> นะ์นะครังนี้เน่ยตรงนี้ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะรู้เท่าทันว่าเออตรงนี้ก็ไม่ดีนะนี่เป็นศัตรูนะคือรู้จักว่านี่เป็นศัตรูก่อนนะมันต้องรู้จักตรงนี้ก่อน ถ้าเรารู้จักปุ๊บเราจะรู้ว่าเออใครเป็นมิตรเป็นศัตรูนะแต่ถ้าเราไม่รู้จักเราก็จเจ้าศัตรูมาไว้ในจิตเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะละได้ก็ต้องรู้ว่าเออตัวนี้มันไม่ดีนะ อ, อมันไม่ดีเหมนคนที่สูบบุหรี่ใช่ไหมออสูบมาต้องนานนะ่บางคนก็นึกมันดีมันเท่มันคลายเครียดแต่ว่าเมื่อใดที่เริ่มรู้ความจริงว่าสูบบุหรี่นะมันก็ไม่ดีนะมันอะการแรกมันเสียงเงินอาการที่สองทำให้เป็นมะเร็งปอดหรือเป็นโรค ทุงลมปกงพองมีความตายด้วยความทรมานก็จะเลิกได้เนะหรือยาเสพติดก็ดีเล่าทั้งหลายก็ดีนะเมื่อคนรู้ความจริงมันก็จะเลิกเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ความจริงว่าเอความโลภความโกรธความหลงมันไม่ดีมันก็เริ่มจะคลายออกแล้วมันไม่ดีนะอ่ามันรู้แล้วมันไม่ดีมันก็เริ่มที่จะคลายออกเพราะฉะนั้นประการแรกเรารู้รู้ก่อนมันไม่ดีใช่อหมถ้าเราไม่รู้มันก็อยู่ในใจเรานานะ พอรู้ทันปุ๊บอ่ะเช่นเรามีความโลภเรารู้ทันไหมมีความโกรธรู้ทันไหมมีความหลงรู้ทันไหมเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บมันก็จะเบาลงเบาลงน้อยลงเพราะนั่นการที่เรามาเจริญสตินะก็คือให้เรารู้ทันที่เลยในใจเรานั่นเองนะะหลงหลวงพ่อครูบาอาจารย์เขาบอกว่าให้เรากลับมารู้สึกตัวคําบมารู้สึกตัวก็คือรู้รู้สึกที่กายและใจนั่นเองนะอกายเราเป็นอย่างไรเรารู้รู้ทันไหมเนี่ยตรงนี้ไปบัณฑ์เป็นไปบัณฑที่ว่าเรา ถ้าเราอยู่ปัจจุบันแล้วเราจะเห็นกิเลสเราได้แต่ถ้าเราไม่อยู่ปัจจุบันเราก็จะหลงเข้ในกิเลสอยู่ดีใช่ไหมเพราะการที่เรามีความคิดเป็นอดีตแล้วนะคตนั่นแหละคือเราหลงไปแล้วนะหลงไปในกิเลสนั่นเองนะแต่เมื่อใดที่กลับมารู้ทันขณะนี้เป็นปัจจุบันไหมรู้ทันขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่รู้ทันขณะนี้กำลังคิดอะไรอยู่นี่แหละพอเรารู้ทันปุ๊บตรงนี้มันก็ละกิเลสในในตัวแล้วเราไม่ต้องไปละอะไรมันเลยเราแค่รู้ทันมันเท่านั้นเองนะรู้ทันกายรู้ทันใจนี่แหละ เพราะนั้นจริงๆแล้วนะมันไม่ใช่ว่ า, าเรามีอดีตหรืออนาคตหรอกเพราะนั้นอดีตหรือนาคตมันจริงๆเป็นแค่ ค, ความคิดเราเท่านั้นเองเราจะไม่มีวันพรุ่งนี้ใช่ไหมหลวงพ่อกำกับบอกพรุ่งนี้ไม่มีไม่มีวันพรุ่งนี้นะแต่จริงๆแล้วไม่มีแต่ที่นี่เดี๋ยวนี้หรือขณะนี้หรือปัจจุบันนี้เ <c oughs> ท่านั้นเองนะอดีตมันก็ผ่านมาแล้วเป็นแค่ความคิดอนาคตยังไม่มาก็เป็นแค่ความคิดเหมื <c oughs> อนกันแต่จริงๆแล้วชีวิตเรามันมีขนาดเดียวคือขณะนี้เท่านั้นเองนะที่นี่เดี๋ยวนี้คือปัจจุบัน นะเพราะว่ัจฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญปฏิบัตินี้เราเรารู้ทันไหมว่าขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่มีอะไรเกิดขึ้นในกายและใจเรานะถ้าเรารู้ทันแค่นี้พอไม่ต้องไปทําอะไรมันแล้วรู้เฉยๆนี่แหละรู้แค่นี้นั่งรู้ว่านั่งไหมนะได้ยินรู้ว่าได้ยินไหมนะหรือเมื่อยลัวเลื่อมเมือ่อยไหมปวดปัสสาวะรู้ทันไหมหิวลู่ทันไหมง่วงรู้ทันไหมเบือ่อรู้ทันไหมนะแค่นี้เท่านั้นนะ เรารู้ทำในขณะไปบันนี้กายหรือใจสกักอย่างหนึ่งนี่แหละแค่นี้เท่า น, น, นั้นเองพอไม่ต้องทำอะไรแล้วะตรงนี้ก็คือความจริงที่พุทเจ้าบอกว่าอ่ายืนให้รู้ว่ายืนเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้นั่ ง, น, ง, น, งนอนให้รู้ว่านอนอคู่แขนเหยียดแขนดื่มกินพูดคิดอืทรงจีวงสังขติก้มเงยก็คือตรงนี้ไปบันเท่านั้นเองนะไม่ได้บอกว่าต้องรู้ในอะไรอดีต อ, อนาคตแต่ว่ารู้ในไปบันนี้เท่านั้นเองนะ <c oughs> ถ้าเรารู้ในปัจจุบันปันป๊บเนี่ยมันจะรู้ความจริงใน ใ, นใจเราเออขณะนี้วนะ่าความจริงก็คือ กายและใจเราเท่านนั้นเงนะมันไม่ต้องไปรู้อะไรเยอะรู้สดๆนี่แหละแค่เรารู้ทันปุ๊บเนี่ยกิเลสจะอยู่ในใจเราไม่ได้เพราะกิเลส น, นั้นเป็นแค่ความแฝงมาในความปรุงแต่งในความคิดทั้งนั้นเองเมื่อเรากลับมารู้ปับ๊บความปรุงแต่งมันก็จะดับไปมันก็จะข้ามมารู้กับปัจจุบันรู้เฉยๆรู้เพียงแค่สั้นๆเท่านั้นเองนะรู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็วางเพราะการที่เรารู้แล้วติดในรู้มันก็เป็นภพเป็นชาติอยู่ดีนะ เพรนันตรงไหนที่เรารู้ก็ต้องปล่อยต้องวางแม้แต่ไปบันก็ยังต้องวางต้องปล่อยนะมันไม่ได้ไปติดในสิ่งใดนะมันจะไม่ไปติดในสภาวะแห่งความดีความชั่วความถูกความผิดเพราะว่าใจที่มันไปติดในอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นภพเป็นชาติทั้งนั้นนะพอเมื่อรู้แล้วก็วางแล้วปล่อยเป็นการรู้สั้นๆไม่ได้รู้ยาวนะรู้ไปบันเท่านั้นเองนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราก็เห็นแล้วก็ผ่านไปผ่านไปเพราะตรงนี้มันมันตรงนี้จิตมันก็จะไม่ไปยึดไปติดอะไรอยู่นะ ถ้าใจไปรู้อะไรก็จะติดกับสิ่งนั้นมันเป็นการรู้และผ่านแล้วนั่นเองนะใจที่มันมันผ่านนั่นแหละมันก็คือมันจะผ่านจากการยึดติดเจือประทานทั้งหลายออกไปได้ตรงนี้มันก็เป็นการออกจากออกจากความหลงนะความหลงก็คือการเรารู้ไม่ทันนะเมื่อรู้ไม่ทันก็ไปยึดไปติดนะไปอยู่ในภาวะใดสภาวะหนึ่งเพราะว่าการที่เราอ่าจิตที่มีสภาวธรรมใดๆก็แล้วแต่นะ มันก็คือการสร้างพบสร้างชาติทั้งนั้นนะก็คือการที่เดินในปฏิจจสุบาทก็คือมันจะสร้างพบสร้างชาติในใจเราก่อนแต่ถ้าถึงที่สุดแล้วถ้าเราตายแล้วอจิตมีสภาวะดำใดๆที่รองรับมันก็จะมีพบมีชาติในตรงนั้นรองรับเช่นกันนะเพราะจิตที่มันรู้แล้วผ่านรู้แล้วเลยรู้แล้วไม่ยึดติดนี่แหละมันจะไม่มีพบชาตินะที่จะปรากฏขึ้นในใจของเราในแต่ละขณะแต่ละขณะไดนะ้หนทางนี้ก็เป็นหนทางสู่ความพ้นทุกข์เพราะว่าตรงเนี้ย มันมันเป็นการเดินเดินเดินโดยอริยมรรคนะอริยมรรคที่มียงคแปดนะมันจะเป็นการเจริญในด้วยศีลสติสมาธิปัญญาการที่เรามีปัญญานี่แหละมันเห็นคนทางว่ามันพ้นทุกข์ได้จริงๆเนาะการที่มันเดินด้วยปัญญาในระดับหนึ่งแล้วนะมันก็จะเข้าไปเห็นมไตรลักษได้ในความเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาสภาวะตรงนี้มันเป็นการเดินเข้าสู่ปัญญาในระดับสูงที่เรียกว่า ให้ก็เห็นบ่อยๆนะในการบัติธรรมเราก็กลับมาเห็นในตรงนี้ว่าเออมันมันเที่ยงไหมเนาะไปบัติธรรมแล้วเนี่ยมันมันมีอะไรเที่ยงไหมเช่นมาเมื่อวานเราไปบัตรแล้วมันดีนะมันมีสติกับทั้งวันมีความรู้สึกกับทั้งวันหรือมีความสงบในการเจริญสมาธิกับทั้งวันนะแต่เพราะวันนี้มันก็หายหมดนะอสติสมาธิหรือว่าสภาวะธรรมเช่นเมื่อวานมันก็หายไปเนี่ยเราเห็นไหมตรงนี้มันไม่เที่ยงนะ เพราะนั้นตรงนี้ถ้าใครที่ปฏิบัติธรรมมันก็จะมีความทุกข์เออเราเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วนะมันทําไ ม, ไม่ดีตามที่เราต้องการเราอยากให้มันดีตามเราต้องการนะตรงเนี้มันก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งในการที่เราว่าเราอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เป็นตันหาตัวหนึ่งนะแต่ถ้ากลับมาเห็นความจริงของมาสตัยรักอันนี้ก็เป็นหนทางที่เรียกว่าเป็นปัญญาในระดับสูงว่าเออมันก็ไม่เที่ยงนะ มันก็คือการยอมรับในปัจจุบันนั่นเองยอมรับในความจริงไหมตรงนี้ในความไม่เที่ยงใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไรที่เราไม่ยอมรับก็ต้องมีความทุกข์แต่ถ้าเราเมื่อไรที่เรายอมรับตรงนี้เราก็ไม่ทุกข์เพราะมันก็คือภาวะของการผ่านนั่นเองนะการยอมรับก็คือการผ่านแต่ไม่ยอมรับก็คือการที่มันไม่ผ่านเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความไม่เที่ยงใดๆเกิดขึ้นในชีวิตเรานะมันไม่เที่ยงทั้งวันนั่นแหละใช่ไหมมีการขึ้นขึ้นลงของด้านจิตใจมีการไปไปมาของด้านด้านร่างกายนี่ก็คือความไม่เที่ยง ตรงนี้เราเห็นไหมแล้วเรายอมรับเข้าไหมถ้าเรายอมรับความไม่เทียมมันก็ไม่ทุกนะความทุกข์มันก็คือสภาวะที่มันมันตั้งอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้นะมันก็เป็นภาวะอย่างหนึ่งที่มันจะต้องอถูกบีบคั้นถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนนะร่างกายเราก็ถูกความทุกข์บีบคั้นให้มันเปลี่ยนแปลงไปสู่ความแก่ความเศร้าการที่มันโทรมไปนะมีแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วย น, นี่ก็คือสภาวะของทุกขัง นะมันเป็นความที่มันไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วแล้ว เ, เรายอมรับเขาไหมนะถ้าเราไม่ยอมรับเราก็รู้สึกว่าเออทำไมเราเป็นแบบนี้นะทำไมเราเป็นโรคภทไข้เจ็บทำไมหูหูเราจึงตึงตาเราจึงฟางหนังเราจึงหย่อนนะเนะมื่อก่อนเรายังสวยๆตอนนี้เราก็ไม่สวยแล้วเราแก่แล้วนะนี่แหละคือการที่เราไม่ยอมรับความจริงเมื่อไม่ยอมรับความจริงมันก็เลยไปหาทางที่แก้ไขตรงนี้ไปเสียเงินเสีเสียเงินเสียทอ เป็นอ่าเป็นแสนเป็นล้านก็มีนะไปทำเฟสออฟอะไรทั้งหลายแหล่แล้วนันจริงๆแล้วมันมันฝืนสังขารนั้นนะคืออ่าตรงนี้นะมันร่างกายมันแก่แล้วแต่ไปทำให้มันตึงเพราะนั้นมันก็ไม่สมดุลกันนะภายในมันแก่จริงๆแล้วสภาพมันโทมแล้วไปทํามันตึงมันก็เลยไม่สมดุลกันนะมันไม่เห็นความจริงนี่แหละคือการที่เราไม่เห็นความทุกข์เพราะฉะนั้นจริงๆเราเห็นความทุกข์คือยอมยอมรับความทุกข์ได้ไหม นะความทุกข์คือความเปลี่ยนแปลงการเราบังคับก็ไม่ได้นั่นแหละนี่แหละคือความทุกข์ทั้งหมดเลยเนาะ <c oughs> ใหญ่ที่กลับมาเห็นความจริงในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ตรงนี้นะมันจะเห็นว่าจริงๆแล้วตรงนี้เป็นสภาวะเรที่เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เมื่อสิ่งใดเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาจึงไม่ใช่ตัวไมต่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวนเราเขา <c oughs> เมื่อมันอร่อยในตรงนี้ได้อันนี้เป็นปัญญาในระดับชั้นสูงที่พระเจ้าได้ส่งคนพบในตรงนี้ด้วย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 <c oughs> หลังจากแสดงธรรมจบแล้วประญาคีีก็บรรลุเป็นพระหันทั้งหมดเนาะเพราะนั้นการที่แบบรำทั้งหมดก็ในมาสู่จุดสุดท้ายว่าเราเห็นไหมว่าตรงเนี้ยมันไม่เที่ยงเป็นทุก์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะมันก็เป็นการคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นในสภาวะธรรมทั้งหลายอย่างแท้จริงนะเพะมันจะเข้าสู่ที่พระเจ้าได้ทรงสรุปไว้ว่าสัพเพธรรมรานาลังอภินิเวศายะธรรมทั้งหลายเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นเนาะเพราะในในท้ายที่สุดนี้ก็ขอราธนาบารมีคุณพระไตร น้อมนำทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเทอญ